โอ้โหวันฟ้าฝนลงแรงมากเลยฟ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟ้าผ่าฟังฟังดูแล้วมันไม่หนีออกจากบริเวณวัดของเราแล้ววันนี้เป็นวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2555เมื่อวานวันที่6ตอนเย็นเรามอบรถ แอมโบเรนต์ให้แกโรงพยาบาล น, น้ำโสมมอบทีหน้าสาราของเราเนี่ยราคาล้านแปดบริษัทโตโยต้าอุดรของเราเนี่ยแหละมาส่งแล้วก็มอบให้โรงพยาบาล น, น้ำโสมเจ้าภาพมาจากกรุงเทพมาถวายลักษณะนั้น เป็นนามของหลวงพ่อหลวงพ่อได้ขอด้วยว่าได้พูดไปมาปีที่แล้วนั่งกระถ اوي ท่านมอบให้โรงพยาบาลนายุงปีนี้มอบให้อีกเป็นโรงพยาบาลน้ำโสมเป็นรถเป็นที่พอใจของหมอและพยาบาลเพราะว่าครบทุกอย่างในรถคันนี้กำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เจ็บไข้ได้ป่วยผลย้าย เข้าไปสู่โรงพยาบาลศูนย์อุดรแล้ ว, ว่ารถแอมบลเลนราคาล้านแปดนะแต่ปีที่แล้วเดือนล้านเจ็ดกว่าแต่ปีนี้มันขึ้นมาอีกแต่เขาก็บอกว่าเขาเพิ่มอะไรบางตัวที่เขาพูดนะเพิ่มเลยเพิ่มหลวงพ่อไม่รู้เหมือนกันนะเขาว่าเพิ่มก็เพิ่มเมื่อวานก็มอบเสร็จเรียบร้อยแล้วตกตอนเย็น ฝน ล, ลงเมืม่อวานเนี่ยฟ้าลงอย่างแรงอีกแต่มันไม่หนีออกจากวัดเราเนีมันวนอยู่ในวัดเราเพราะว่าวัดเรามันมีต้นไม้ใหญ่เด็กกัเปี๋ยงตอนนั้นกับเปี๋ยงหลวงพว่อเป็นห่วงสถานีวิทยุเหมือนกันแต่พระท่านก็รักษาสถานีวิทยุของท่านไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนะพอมืดคืนมาเสียงเฮือดท่านก็ต้องขึ้นไปปิดสถานีวิทยุปิดไฟปิดอะไรทุกอย่างคันองค์ันเอา เราลงหมดเพราะว่ามันเคยฟ้าลงที่สถานีของเราหลายครั้งบางครั้งก็เสียหายมากบางครั้งก็กเสียหายน้อยเพราะมันเสาเสาไฟฟ้าเสาวิทยุมันสูงน่ะมันเป็นแหลก็กต่างหากไฟฟ้าฟ้ามันก็ต้องชอบลงที่นั่นก็ณภาพต้องรักษาแต่ก็ไม่เป็นไรแต่มันลงแถวแถว ชาลาเนี่ยสิกุฏิลงพ่อก็ไฟดับเหมือนกันนะเงี้ยแถบแถบนั่นนะข้างๆนะเสียงดังเมื่อคืนหลายครั้งอีกต่างหากนานอีกต่างหากฟ้าลองอยู่ในโดงไม่เหมือนอยู่กลางท้องนานะถ้าฟ้าร้องฟ้าผ่าอยู่กลางท้องนาเนี่ยมันดังแถบแถบมันดังเสียงไม่ไหมฮะอย่างจางเตงปั้งลักษณะอย่างนั้นแต่มันดังอยู่ในกลางดงไม่ใช่ดังอย่างนั้นเลยดัง ดังเหมือนกับฟ้าถล่มแล้วเออดังกล้องเฮือดๆๆเหมือนกับมันกล้องอยู่ในดงหลวงพ่อยังคิดโอ้ฟ้าในหน้ากลัวนะถ้าใครก็ตามได้สาบสบสาบานไว้ระวังกันแล้วกันนะพวกผู้เฒ่าผู้แก่คงจะรู้จักมาสาบบสาบานไว้ใครสาบบสาบานไว้ระวังกันแล้วกันฟ้าจะลง เนี่ยแล้วเราอยู่ไต้ฟ้าเราจะทำยังไงถึงจะ ก, กลัวก็อยู่อยู่ไต้ฟ้าอย่างเก่าอยู่ไต้ฟ้าไต้ฝนทาไม่มีบาปมีกรรมจริงๆหรอือไองผิดธรรมชาติจริงๆหรือว่าบางคนมันก็อย่างว่าตายพราฟ้าก็มีเหมือนกันแต่มันก็เป็นส่วนน้อยแต่จะว่าไม่มีเฉลยมันก็ไม่ได้มีอยู่ ตายฟ้าผ่ามันก็แปลกเหมือนกันนะอาจจะเป็นบาปกรรมหรืออะไรก็ไม่รู้ล่ะจะบังเอิญก็ได้แต่ว่าในครั้งพุทธเจ้าหรือพระพุทธองค์พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่หรือพระอรหรันตสาวกุลท่านรู้ท่านก็คงจะบอกเออกรรมเก่ากรรมเก่าเคยทํากรรมมาเคยอทําร้ายทำลายสัตว์มาก่อนอย่าง แพะตัวหนึ่งที่ศัพท์ปรมโมกอาจารย์ทำพรีกรรมจะตัดคอแพะคอแกะคอแกะคอแพะเป็นการทำบุญกาทำบุญจะทำบุญจะฆ่าแกะแต่ในลูกน้องก็เอาไปเอาไปก็จะไปตัดคอมันเพื่อชำละเนื้อมานละมาในงาน ทำบุญอุทิศ ส, ส่วนกุศลให้ผู้ตายเพราะว่าแก่ตอนนั้นมันหัวเราะนะมันหัวเราะอมันพูดเป็นภาษาคนมันหัวเราะด้วยลูกน้องก็เลยถามว่าทําไมแกะทําไมถึงหัวเราะแกะบอกว่าให้พาไปหาทิศปะโมกอาจารย์ก่อนจะพูดให้ฟังอแกะเขาก็เลยพามาหาทิศปะโมกอาจารย์โงคอาจารย์ถามว่าไปทําไมแกะทําไมจึงเขาจะตัดคออยู่แล้วทาไม จึงหัวเราแก่ตอนนั้นก็บอกว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของข้าแล้วที่จะต้องถูกตัดคอเป็นชาติที่ร้อยร้อยชาติเป็นชาติที่ร้อยที่ถูกตัดคออยู่อย่างนี้เพราะชาติก่อนๆ ก, ก่อนหน้านี้ที่ข้าพเจ้าจะถูกตัดคอเลยเป็นอย่างทิศสัพปะโมกอาจารย์ข่านเคยเป็นทิศสัพปะโมกอาจารย์ สอนลูกศิษย์เหมือนกับท่านทีละข้าอยากจะทำบุญอุทิศเออต่อผู้มีอุปกรารคุณคือพ่อแม่ข้าพระเจ้าก็เลยสั่งให้ลูกน้องข้าแกะแเพื่อทำบุญจากนั้นมาข้าพระเจ้าจึงถูกตัดคอมาตลอดถึงร้อยชาติชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของข้าเพราะนั้นข้าจึง เออหัวเราะหัวเราะเลยร้ อ, นะรองไห้น่ร้องไห้แล้วหัวเราะนะั้งสองอย่างหัวเรานะนี่คือค่าดีใจค่าดีใจว่าข่าจะได้พ้นละพ้นจากกรรมที่ที่ทํากรรมไว้ที่ร้องไห้เพราะอะไรเพราะสงสารทิศ ป, ปะโมกจะต้องรับกรรมอีกต่อไปเหมือนกับข่าที่รับกรรมมาแล้วแพะมันบอกอย่างนั้นพออาจารย์ได้ยินทิศ ป, ปะโมกได้ยินโอ้ยข่าไม่ทําล้ว ไม่เอาละกลัวบาปกรรมเอาปล่อยปยปล่อ ย, ป ล, อยปล่อยไปถ้าปล่อยไปแกตัวนั้นก็บอกว่าถึงท่านจะปล่อยไปก็ตามแต่ข้าพเจ้าโคงจะไม่พ้นกรรมที่ได้กระทาไว้ในอดีตถึงจันจะไม่ฆ่าข้าพเจ้าก็าาามีอันจะเป็นไปในวันนี้ทิศศัพ์ปมกมีลุกสิทธ์มากใช่ไหมเอ้ยสูญเจ้า ต้องอย่าให้ขาดสายตานะดูแลแกะตัวนี้ให้ดีมันไปนสะถานที่ใดห้ามใครก็้ามากลรมกายเข้ามาใกล้สุ้าติองปกป้องรักษานะ อ, อย่าให้มันตายเพราะถูกคนฆ่าถูกตัดคอนี่แ่าแกะตัวนี้มันบอกว่าบาปกรรมนี่ยสุชาต้องรักษาให้ดีติดสับประมมกสั่งลูกน้องลูกน้องจับ แปลว่าไม่ขาดสายตาอะไรมันแกะเท่านั้น่ะแต่นัานแกะตัวนั้นมันก็หากินตามภาษาของสัตว์เนี่ยปีนป่ายขึ้นไปขึ้นไปในก้อนหินไปขึ้นไปในก้อนหินไปหากินเถาวันเป็นหากินหญ้าที่มันพันก้อนหินอยู่อยู่ที่เนินเนี่ยฟ้าฝนนี่แหละอย่างที่มันคืนเนี่นะมันไม่มีเมฆมีหมอกอะไรมากมายเลมันเปี้ยงป้างมาก็ใสรเปี้ยงลงไป แกะตอนนั้นก็เลยแพ้ตอนนั้นก็คอขาดก็เลยตาย <t ik> ทิดับป่าโมกเกิดความสลดสังเวชใจใหญ่เลยบาปกรรมมันมีจริงๆนี่ในวาล่ะ <t ik> จากนั้นก็เลยกอกไปบวดปืนลือสีอยู่ในป่าร <t ik> ักษาศีลภาวนาต่อไป <t ik> แปลว่าเห็นโทษในการเวียนว่ายตายเกิดไม่ทาบาปทำกรรม <t ik> อันนี้คือ มาในพระไตรปิฎกนะที่ท่านพูดไว้สรุปแล้วก็คือในหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยใครจะมีอะไรที่หนักหนาสาหัสเนี่ยโดยมากมันจะไม่บังเอิญจะเป็นบาปกรรำบาปกรรมในอดีตจะมากกว่ามาให้ผลกรรมในอดีตคําว่าเราจะไปกลัวกรรมทีเดียวก็ไม่ได้ปัจจุบันกรรมคือเดี๋ยวนี้เราต้องทําดีถ้าเราทําดีแล้ว วันต่อไปมันก็ต้องดีพอเราทำกรรมปัจจุบันนขณะนี้เวลานี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้อยู่เลยนะเเราทำแต่กรรมดีมันก็ต้องกรรมดีตัวที่เราทำมันก็ส่งไปถึงอนาคตอนาคตมันก็ต้องดีมันจะไปไหนพอเราทำกรรมดีอยู่ตลอดทุกการคิดการคิดการทำการพูดทำดีอยู่ตลอดแต่ถ้าหาว่าเรา ปัจจุบันเนี่ยเราทำกรรมไม่ดีทำกรรมชั่วพูไงไง้งาๆคิดขึ้นมาก็คิดชั่วคิดอยากจะฆ่าเขาเพราัสืก็ไปหาปืนมาแล้วก็ไปยิงเขาเข้าเนพอยิงเขาเขา้เเข า, เขาแล้วยังสำทับเขาอีกโดยวาจาอีกฆ่าเจ็บใจมานมนานแล้วมาประสบความสำเร็จในวันนี้เองฮะใจก็คิดมาพอแรงใช่ไหมแล้วก็ไปแ ส, สวงหาอาวุธเออเสร็จแล้วก็ พูดสำทับอีกสรุปแลยไอนะ้ทั้งใจทั้งกายทั้งวาจาทนะําทำกรรมกรรมชั่วทั้งสามอย่างทั้งใจคิดไว้ก่อนแล้ววางแผนทั้งกายนะี่ไปหาประกอบสัตวาอาวุธเข้ามาทั้งวาจานะี่กนพูดสำทับไปอีกเพื่อความให้ฉะใจแล้วทีนี้ ที่ทําลงไปแล้วเนมันไม่จบเพียงแค่นั้นในทำในปัจจุบันแหละ เ, เมื่อทําในเดี๋ยวนี้แต่อีกอนาคตนาทีต่อไปล่ะชั่วโมวงต่อไปวันต่อไปเดือนต่อไปปีต่อไปอยู่ยากแล้วไปเพราะอะไรเพราะว่าตัวเองทํากรรมไม่ดีเอาไว้กรรมทอนี้มันจะตามลตเลยใครเป็นคนทํา ทำไว้ที่ไหนจากนั้นตำรวจบังผูกเกี่ยวข้องบังสืบสอบหาเลยรู้ว่าเป็นใครนะตัวเองก็อยู่ลำบากนะเะยเผลอเผลอคือฆ่าตัวเองตายก็มีเพื่อนหนีโทษที่พวกเราได้ยินได้เห็นจากนั้นก็หนีหัวุกหัวสูลไม่รู้หนีไปไหนก็ไม่รู้จะอยู่ดีกินดีอยู่ดีมีสุขคงไม่มีทางคนหนีทุกหนีโทษหนีคุกหนีตาราง ใึงจะุกอย่างไรเมื่อก่อนมีทุกข์อยู่ในใจเน่ตะกิตตะขวงมีทุกข์อยู่ในใจอยู่ตลอดเพราะหอหไรเพราะใจนึกทำกรรมขึ้นมานึกทำกรรมขึ้นมาอะไรกันอย่างประกอบทางกายเออแล้วก็ฉใจทางวาจาอันนี้คือปัจจุบันได้รับปัจจุบันนกรรมการกระทาในปัจจุบันแต่อนาคตกรรมอีกเดี๋เมื่อตายไปแล้ว ในหลักทำคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเมื่อวิญญาณดวงนั้นตายไปแล้วก็ต้องตกนรกไปใช้กรรมในนรกสุดแท้แต่บาปกรรมตัวไหนจะให้ผลอย่างไรมันมีละเอียดยิ่งกว่าคุกเมืองมนุษย์อีกอย่างใครทำโทษหนักคุกเมืองมนุษย์เขาก็ไปขังคุกมืดขังคุกเดียวขังคุกมืดอย่างนี้แปลว่าทาโทษหนัก จากนั้นกระโทษประหารเขาก็ขังคุกอยู่คนเดียวออกมาก็ใส่ชั่วตัวอย่างอย่างแข็งขันใส่ให้ถึงจะอยู่ในห้องก็ยังใส่ชั่วตัวไว้อยู่ก็ไม่ได้ปล่อยพอออกมาเลยก็ใส่ชั่วตัวมาแล้วนายคุมยังเอามือคล้องแขนทั้งสองข้างอีกทั้งที่ใส่โั่วตัวแล้วอย่างแน่นหนาแล้วนายคุมยังเอามือค้องแขนอีกยังมีอาวุธหน้าอาวุธหลังอีกนี่แหละนักโทษหนัก อันนี้ก็คือบาปกรรมหนักกับลักษณะอย่างนั้นเหมือนกันในหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นวิญญาณที่ตกนรกน่ะใช้กรรมยังไงพอพ้นจากกรรมขึ้นมาเป็นนักโทษชั้นดีเนี่ยเพราะทำไม่มีอะไรไม่มีโทษอะไรเขาก็ปล่อยขึ้นมาก็ปล่อยก็ไม่ได้ใส่โซ่ใส่ตรวนแต่จากนั้นก็ออกมาทําการทํางานได้เป็นนักโทษชั้นดีต่อมาก็หลุดโทษออกมา อันนี้ก็คือกรรมคือการกระทาพอออกมาจากนักโทษนะเจ้นี้ในหลักของพุทธศาสนาเอ่พระพุทธเจ้ามาเกิดเป็นคนอีกกรรมตันนั้นมันยังให้ผลอยู่นะยังตามให้ผลเป็นละหลอกละอลอกอยู่ตลอดเพราะมันยังไม่หมดกรรมอย่างพระโมคคัลลานเมื่อท่านฆ่าพ่อแม่ท่านะท่านก็ตกนรกเอเวจีพอพ้นจากนรกมาแล้วกันเนี่ยนะมาถูกฆ่าอีก พอถูกฆ่าเนี่ยเกิดไปอีชาติหน้าอีกเกิดทีกถูกฆ่าอีกอย่างแก่หรือแพะตัวนั้นนี่เมื่อท่านทําตําตัวนั้นลงไปท่านก็ไปตกนรกก่อนไปเข้าคุกก่อนออกจากพ้นจากคุกมาแล้วก่อนเนีเป็นนักโทษอยู่แต่เป็นนักโทษชั้นดีแต่ก็ให้ใช้กรรมกรรมที่ได้กระทาไว้เนี่แหละหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านบอกกล่าวหรือชันแสดงไว้ในธทำคําสอน สิ่งเหล่านี้เราอย่าปฏิเสธในอนาคตเพราะเรามองไม่เห็นมีอยู่ท่านผู้รู้ท่านรู้ได้อยู่แต่ในปัจจุบันเเราเห็นได้ชัดใครทํากรัมไม่ดีเอาไว้กันนะวิ่งหนีโทษหนีคดีแล้วจะหาความสุขได้ที่ไหนวิ่งไปที่ไหนก็วิ่งไปเถอะจะหาความสุขไม่ได้คนที่มีโทษมีคดีเรียกว่าหนีกรรมพอหนีได้แต่มรนกรรมยังไม่ให้ผล ยังตามไม่ทันนี่ก็เหมือนกันพวกนั้นพวกเรากรรมชั่วหรือว่าสิ่งที่มันชั่วอย่าทำให้ทำสิ่งที่ดีถ้าทำสิ่งดีแล้วความดีนะั่นะไปอยู่ในะสถานที่ใดร่มเย็นเป็นสุขทั้งหมดากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมผลที่สุดกรรมทั้งหลายออกมาจากไหนอันไหนต้นตอของกรรมจะไปล้างกรรมจะไปล้างอย่างไหน อย่างไปล้างกรรมกันไปล้างได้ยังไงกรรมมันออกมาจากใจใจเท่านั้นแหะทำความดีจึงจะล้างกรรมตัวเองได้จะไปล้างภายนอกมันล้างไม่ได้หรอกมันต้องดูที่ใจให้ดูเจ้าของมันดูเจ้าของคือดูตนเองให้มองดูตนเองเราทำอะไรไปเดี๋ยวนี้ใจของเราคิดอะไรเมื่อคิดออกไปแล้วการกระทำมันเป็นยังไง และ ก, การพูดของเรามันเป็นยังไงมันเป็นทางกุศลหรือทางอ ก, กุศลเป็นทางสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิเป็นทางเห็นชอบหรือความเห็นผิดไม่มีใครจะรู้ยิ่งกว่าตัวของเราเท่นมองเข้าหาตัวเองละมองมาหาเจ้าของแต่ถ้ามองไปหาคนอื่นไม่มีที่สิ้นสุดคนน้าหน้าจะดีคนนั้นผิดคนนั้นไม่ดีคนนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้คนนี้หน่าจะ แม้ลายา่าต่างนุ่นอย่างนี้มันมองไปแต่ถ้ามองมาหาตัวเองเ่าเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรค่าควรจะทำอย่างไรข่าควรจะคิดอย่างไรข่าควรจะพูดอย่างไรเนี่ยให้มองตัวเองถ้ามองตัวเองแล้วเอาเอาธรรมะทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่นี่เข้ามาสอนมองตัวเองแล้วเอาทำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นเครื่อง พาดำเนินพระพุทธเจ้าสอนอย่างไรพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนอย่างไรพระพุทธเจ้าสอนให้คิดอย่างไรถ้าเราเอาคนอื่นมาเป็นตัวอย่างถ้าเราไปเห็นนักโทษฆ่าคนเราเอามาเราก็คิดแบบนักโทษแล้วทำแบบนักโทษฆ่าคนจะพูดแบบคนนักโทษโมโหโธโซเราก็เป็นมิจฉาทิฏฐิอีกเหมือนกันถึงจะมองเห็นกายเห็นใจเห็นกายเห็นวาจาของตัวเองก็จริงอยู่ แต่เรามันเป็นคิดไปนในทางมิจฉาทิฐิสมมาทิฏฐินั่นคืออะไรก็ต้องเอาทำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นตัวอย่างมาเป็นแบบฉบับคิดอย่างพุทธคิดอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้คิดคิดอย่างพระพุทธเจ้าสอนให้คิดทำอย่างพระพุทธเจ้าสอนให้ทาพูดอย่างพระพุทธเจ้าสอนให้พูดบอกให้พูดสิ่งไหนพระพุทธเจ้าห้ามอย่าพูดพูดเท็จ โกหกพูดส่อเสียดพูดคำหยาพูดเพ้อเจอ้อพูดหากดท้ากเกณฑ์ไม่ได้อย่าพูดอันนี้พระพุทธเจ้าห้ามการกระทาอย่าฆ่าสัตว์อย่าขโมยทรัยยพย์อย่าประพฤติผิดในกามให้ครบสิทธิสามีภรรยาคนอื่นเขาอย่าไปกินเหล้าอย่าไปดื่มสุราอันนี้คือการกระทาทางกายส่วนใจนั้นทำยังไง ปรทําทำคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกกงงล่าวอย่างไรเรื่องใจอย่าโลภอยากได้ของเขาอย่าพยาบาทปองร้ายเขาเออย่าเห็นผิดจากทํานองครองทำอย่าไปเห็นว่าความชั่วนะจะว่ามันดีนะความดีอย่าไปคิดว่ามันชั่วนะชั่วคือชั่วดีคือดีไฟคือไฟน้ําคือน้ําเออน้ําก็คือน้ําไฟก็คือไฟน้ําร้อนหรือน้ําเย็นไฟอะไร สิ่งเหล่าก็คือแนวความคิดคือกรรมคือการกระทำเหมือนกันการกระทำทำได้สามทางมโนกรรมคือทางใจกายกรรมคือการกระทำฟรีกรรมก็คือการพูดเนี่ยเนี่ยพราะนั้นถ้าเรารู้แหล่งแห่งกรรมต้นตอแห่งกรรมลากเงาแห่งกรรมเราก็ต้องดูที่ใจใชํามระใจใเอาธรรมะทำคาสอนของพระพุทธเจ้าเอาสมาธิเข้าไป เมื่อนั่งสมาธิจิตใจเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งเราจะมองเห็นใจใจของเรามันไปทางไหนเนีมันไปทางกิเลสราคะความรักความไข่หรือไม่หรือว่าเป็นเจตโทสะเห็นอะไรฉุนเฉียวโมโหโกธาไปหมดอย่างนั้นใช่ไหมได้เห็นกิเลสโมหะหรือ ก, กิเลสโลภะเห็นอะไรมีแต่อ ย, อ, ยอยากอยากอยากตลอดอย่างนั้นใช่ไหมเนี่ยจนออกนอกลูงนอกทางจนไม่มีศีลมีธรรมอย่างนั้นใช่ไหม ถ้าใจของเราเข้าสู่ความสงบใจดูตนเองใจดูใจใมองเจ้าของดูเจ้าของถ้าเห็นอย่างนั้นแล้วนะเราจะมองได้จะแยกแยะออกอันไหนควรไม่ควรอย่างไรนะแต่ถ้าว่าเรามองไม่เห็นตัวเองใจของเรายังไม่เป็นสมาธิเรียว่ามองหาใจยังไม่เจอแล้วนะมันจับประเด็นไม่ได้เหมอนกันนะมันจับประเด็นไม่ได้ เดี๋ยวก็จับไปจับมาตะคุบไปตะคุบมาหลงตัวเองอีกต่างหากทีนี้นะอันรับพรนะนโมทนาให้พร